อันนั้นก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจเป็นเรื่อ ง, องนักการเมืองหรือนักกีฬาก็อยากจะได้เหรียญทองนะส่วนชาวพุทธเนี่ยจุดหมายสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์นะคราวนี้เราขึ้นหรือว่าเราจะเอาอะไรเป็นใหญ่เนี่ยเราเอาความเป็นชาวพุทธหรือว่าเราจะเอาความเป็นนักธุรกิจหรือว่าความเป็นนักการเมืองหรือว่านักกีฬา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 ถ้าเราเข้าใจความหมายของความเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไปนะจนตายไม่มีวันเกษียณ น, นึกอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยจุดหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์แต่ว่าแมจะมุ่งพ้นทุกข์นะก็ชาวพุทธเราไม่กลัวทุกข์นะเราไม่กลัวทุกข์นะ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 บ่อยครั้งก็ทําให้ปัญหาตามมาอีกมากมายเราไม่กลัวความทุกข์นะเพราะเราเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาและประการต่อมาก็เพราะเราเห็นว่าความทุกข์นี้มีประโยชน์นะความทุกข์นี้มีประโยชน์ถ้าหมอมาเห็นตรงนี้นะจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธได้ไม่เต็มขั้นนะชาวพุทธต้องเห็นว่า1เนี่ยนะความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว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 เช่นถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกบริภาดแล้วเกิดความทุกข์มากไม่พราบลูกหนึ่งชื่อพระยะโสชะนะพระยะโสชะนี่ก็เป็นชาวประมงตอนหลังก็เกิดศรัทธาในพระตนาัตายก็มาบวชเป็นหัวหน้านี่ก็เลยมีลูกน้องเยอะมาบวช ด, ด้วยกันประมาณห0 0ร้0ยห้ารอว่ามากวันหนึ่งก็พากันมากราบพระพุทธเจ้า มาที่เชตาวันแต่ว่าส่งเสียงดังูเจ้าก็บริพาสอย่างแรงเลยนะก็เสียใจนะแต่ว่าความเสียใจนี้เนี่ยมันก็เป็นขุนนะเพราะว่าทําให้เกิดสํานึกฐานผิดพุชาไลาออกจากเชตาวันก็ไม่ไปไหนหรอกก็ไปอยู่ใกล้ๆไปหาหลักไปหาที่ที่สงบสงดัดริมแม่น้ำแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยเราจ ะ, ะต่างคนต่างจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติ นะถูกพระเจ้าบริพาศแล้วเนี่ยต้องสำนึกแล้วก็ในสุดนะในพรรษานั่นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคือถ้าไม่โดนพระเจ้าบริพาศเนี่ย ก, ก็คงจะหลั่นลาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมบางท่านเนี่ยโดนลูกด่านะพิสษุนนีท่านหนึ่งเนี่ยท้องนะ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 ไม่ต้องสุดนะแต่ว่าพอลูกคลอดออกมาก็ต้องเอารูปไปให้คนอื่นเลี้ยงนะก็ไปอยู่กับพระเจ้าปเสนทิโกสนชื่อกุมารกัสปะอ่ากุมารกัสปานี้ตอนหลังก็บวชนะมาบวชส่วนแม่ชื่อแม่พิสุนีเนี่ยก็คิดถึงลูกนึกถึงลูกตลอดเวลา ปฏิบัติทำไปก็นึกถึงลูกไปพอรู้ว่าลูกบวเนี่ยก็อยากจะเจออยู่คนละสำนักนะแล้ววันเช้า ว, วันหนึ่งก็ได้เจอนะพระ ก, กุมารกัสปะท่านกำลังบินธบาติพิสุนีผู้เป็นแม่ก็เห็นนะก็ดีใจนะนะสาวเท้าขึ้นไปลืมตัวจะไปสัมผัสกับลูกพระ ก, กุมารกัสปะเห็นนะก็ รู้ว่าแม่เรานี่ยังผูกพันในตัวเราอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ผูกพันอยู่นี่ก็คงจะไม่บรรลุธรรมแล้วก็คงไม่เจริญก้าวหน้าก็เลยหันมานะพูดเสียงแข็งต่อว่าวันนี้ท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะบวชมาต้องนานแล้วนี่ยังตัดใจในลูกไม่ได้เฉยหรือโอภิกษุณี น, นี่ช็อกเลยจะไม่คิดว่าลูกนี่จะพูดกับแม่แบบนี้ เราซาห่วงนึกถึงลูกนะแต่ลูกไม่นึกถึงเราเลยกลับพูดด้วยถ้อยคําที่หยาบกระด้างไม่มีน้ําใจก็เลยตัดใจเลยนะตัดใจลูกไม่ไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจลูกแล้วล่ะก็เลยทําความเพียร น, นะจิตก็ยุ่งก็มุ่งอยู่กับการทําความเพียรบอกว่าวันนั้นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ทําให้โดนลูกว่านะก็ ก็คงจะยังหลงวนเวียนนะอยู่กับความคิดถึงลูกลูกนี่ก็เป็นพระอาหารหันต์นะพระกุมารกส ป, ปะที่เป็นพระอาหารหันต์ถ้าไม่ได้จงเกียจจงชังหรือว่าเหินห่างหมังเมินกับแม่ที่เป็นพิสุทธิ์นี่แต่ท่านรู้ว่าต้องต้องใช้ไม้แข็งนะแล้วก็ได้ผลนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้พิสุทธิ์นี่ตัดใจนะไม่นึกถึงลูกได้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 ก็วันที่พระเจ้าวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมหาพิเศษสกรมเนี่ยชันนาก็ตามไปด้วยแล้วก็พอพู้เจ้าตัดสรุฉชันนาก็มาบวชนะมาบวชแล้วนี่ก็เถือพิสิท์นะถือว่าเป็นคนใกล้ชิด ก, กับพู้เจ้านะก็ก็เลยไม่ค่อยปฏิบัติตามพระวินัยเท่าไหรนะ่ใครสอนใครแน่ก็ ไม่ฟังเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยเส้นใหญ่นะเป็นเส้นใหญ่นะเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเตือนนะก็ไม่ฟังนะแคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเนี่ยบางทีสอนยากที่สุดเลยยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ก็สอนยากนะอย่างอนาถปินฑิกาเนี่ยสอนคนอื่นได้แต่สอนลูกไม่ได้นะต้องให้พระเจ้านี่ไปสอนนะฉันหน้าก็นี้ก็เหมือนกันนะ ไม่สนใจเลยใครใครเตือนใครแนะนำแม้แต่พระโมคคัลลาสาริบุตรเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมาก่อนนะอ้างความเป็นเพื่อนสนิทนะของผู้เจ้าก็ต่อว่าพระสาริบุตรต่อว่าพระโมคคัลลานะส่วนหนึ่งก็เพราะถือว่าอายุอ่อนกว่าด้วยสุดท้ายผู้เจ้านก่อนที่จะเปรินิพพานก็ฝากฝังนะฝากคณะสงฆ์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็ให คณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทันลงพรหมทันชนนะเลยนะพระฉันนะพรหมทันคือว่าไม่พูดไม่คุยไม่สมาคมนะพราเจ้าปรินิพนธ์นะคณะสงฆ์ก็ลงพรหมทันตัดสินลงพรหมทันให้พระอนนท์เนี่ยไปแจ้งไปบอกข่าวพระอนั้นก็เดินทางไปถึงโกสัมพีเลยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโกสัมพีตอนนั้นพระฉันะอีกโนนแล้วก็บอกข่าวว่าเนี่ยสงฆ์ลงพรหมทัน ว่าฉันน่าไม่รู้รมทานแปลว่าอะไรพอรู้ความหมายนี่เป็นลมเลยนะพ่อไม่คิดว่าจะเจอหนักขนาดนี้นะแต่ว่าได้ผลนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาสานึกตัวนะรู้ว่าทำผิดทำพลาดไปก็เลยทำความเพียรสุดท้ายก็จะเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ที่ถูกต่อว่าถูกตาหนิถูกบริลีพาถูกลงโทษนี่เยอะแยะเลยก น, นะแต่ว่า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 สํานึกผิดหรือว่ากลับเนื้อกลับตัวได้คนที่ได้รับคําชมแล้วบารุธรรมนี้ไม่ค่อยมีนะจะรับคําชมแล้วบารุธรรมมีแต่ว่าบารุธรรมเพราะถูกด่าถูกว่านะถูกลงโทษนะอันนี้แหละประโยชน์ความทุกข์นะประโยชน์ของอนิถารลมสิ่งที่ขัดอกขัดใจความเบื่อก็ช่วยได้เยอะนะอย่างยะสะกุลบุตรเนี่ยนะเบื่อนะ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 นะไม่รู้ทํำยังไงนะก็เลยเดินเลื่อยเปื่อยออกจากคฤหาสนะ์เข้าไปในป่าอิสิปตนมรุกขยทวันก็เลยเจอพระพุทธเจ้าวดีนะั้นตอนนั้นเป็นภาษาแรกที่พรุทธเจ้าอยู่ป่าอิสิปตนะถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งไม่รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่านะก็คงจะไม่เดินดุ่มๆออกไปนอกนอกบ้านอย่างนั้นก็กลายเป็นดีไปนะเพราะว่าพอเจอพพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงธรรม ก่อนที่จะเจอนะพระยะัสสาก็บอกที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหนอนะมันแสดงความเบื่อเบื่อมากมากเลยแต่พอได้ยินพระเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเนี่ยก็สะดุดใจนะก็เลยนะฟังนะมนเลยสนทนาทากับพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมมีตัวอย่างมากมายในะคนที่เจอความทุกข์ความเบือ่อหรือว่าถูก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 นี่ทะลูไม่ตายนี่ก็คงมันจะไม่ได้พบพระเจ้านะและพระองค์ก็ออกอุบายให้ไปไปหาเม่ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะทุกคนก็สมัยก่อนทุกบ้านก็มีไม่ประกกาศนะแต่ว่าพอถามว่ามีคนตายเมื่อก็มีคนตายทุกบ้านทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าความตายเป็นธรรมดาทุกทุกบ้านทุกครอบครัวล้นแต่ล้นแต่จเจอความพลัดพรากสูญเสีย ก็เลยยอมรับได้ยอมรับดาวลูกตายเอาลูกไปเผาแล้วกลับมาเฝ้าพระเจ้าคราวนี้แหละพระเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมแค่ไม่กี่ประโยคนังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์แสดงธรรมว่าอะไรพระองค์แสดงธรรมว่านะมรุตโยเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในในครอบครัวในทรัพ์ในสัตว์เลี้ยงเหมือนกับ น้ำป่าที่พัดพาผู้ที่นอนหลับหลายไปฉันนั้นคือได้เห็นโทษของความยึดติดนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะความยึดติดในลูกนยะและพอลูกตายก็เศร้าพอได้ฟังธรรมเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าสกิดทุลีที่อยู่ในดวงตานะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวนะมันแจ่มแจ้งนะพอได้ฟังธรรมเนี่ยก็ได้คิดเลยเกิดปัญญาขึ้นมา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 ทุกเนี่ยมันมีแรงผลักนะที่สามารถจะทําให้คนเรานี่ได้ไปเจอวิถีแห่งความสุขหรือว่าชีวิตที่ประเสริฐได้ถ้าไม่เจอทุกก็ยังคงหลงวนอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมๆความคิดแบบเดิมๆซึ่งมันมีแต่ทําใหนะ้สุขสุขทุ ก, ท, กทุกนะหรือไม่ก็ทําให้ทุกถาวรเลยคนเรานี่ก็พอใจนะอยู่กับวงเวียนวัฏจักรแบบนั้นเพราะว่ามันสบายนะเ้่าที่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 สติปัญญาก็ไม่พัฒนาหลายคนในจิตใจเข้มแข็งกล้ากแกรง่งก็เพราะว่าเจอความจะลลำบากตอนเด็กอาจจะต้องปากกัดตินถีบบางคนก็เป็นลูกกำพร้านะต้องหาเลี้ยงตัวเองนะบางทีมีพ่อแม่ก็พึ่งพาไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีในลูกนะก็เจ็บปวดนะแต่ว่าทำให้ต้องหันมา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 ป่วยป่วยหนักถูกไฟครอกนะถูกเสือกัดนะพวกนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเลยนะมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหมอนคนก็ทุกขเวทนาเพราะความแก่ชรานะเดินก็ปวดนะเดินปวดทุก9ก้าวที่เดินวินาศซ้ำยังสะดุดหกล้มนะตัวกระแทกพกื้นก็ยิ่งเจ็บเพิ่ไปใหญ่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 มันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมันแสดงธรรมให้เราได้เห็นได้ไม่ต้องถึงกับเป็นผ้าหลานก็ได้นะคนที่บักปฏิบัติธรรมนะเราก็อาศัยความทุกนี่แหละฝึกใจเราฝึกใจเราให้มีความมั่นคงนะอาศัยคำต่อว่าด่าทอเนี่ยเป็นเครื่องฝึกให้เรามีความมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนะต่อคา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 ทุกไม่ใช so okay, so ่สิ่งที่ต้องละนะทุกเป็นสีที่ต้องรู้ไอสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยหรือสายแห่งทุกทุกเป็นสีต้องรู้รู้เพราะอะไรเพราะจะทําให้เราเห็นสมุทัยถ้าเรารู้จักทุกดีพอเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยหรือล่างเงาของมันก็คือสมุทัยถ้าเราไม่ไม่เราจะรู้ทุกได้เราต้องเจอทุกนะถ้าเราไม่ไม่เจอทุกเราจะรู้ทุกได้อย่างไรหรือเราจะรู้จักทุกได้อย่างไร